ผมได้บวชอยู่ที่วัดปฏิบัติแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติและมีสาขาต่างๆมากมายตามต่างจังหวัดสาขาส่วนมากจะเป็นที่หลบภาวนาทดสอบจิตซึ่งเป็นที่ที่คนไม่ค่อยไปอยู่กันเช่นตามป่าลึกบ้างป่าช้าบ้างและรวมถึงที่นี่ด้วยก็คือป่าช้าที่ผมไปอยู่นี่เองป่าช้านี้เป็นสถานที่ที่น่ากลัวอันดับต้นๆ ของบรรดาสาขาทั้งหมดพระบวชใหม่มักจะถูกพาไปทดสอบจิตที่นั่นเป็นประจำส่วนมากพระบวชใหม่มักจะกลัวการมาป่าช้าที่นี่เกือบทุกองค์พราะคำเล่าหือจากครูบาอาจารย์ที่ประสบพบเจอมาตอนนั้นผมได้มาอยู่ที่ป่าช้านี้ผมเดินทางมาทางรถไฟมาถึงป่าช้านี้ตอนตีห้าก็ยังไม่สว่างดีก้าวแรกที่เหยียบเข้าไปในป่าช้าคือลานธรรม ก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาพอพระอาทิตย์ขึ้นผมก็เริ่มอยากจะสำรวจป่าช้าขึ้นมาทันทีจึงชวนเพื่อน 3-4 สี่คนเดินไปดูรอบรอบป่าช้าพอเดินไปถึงหลังป่าช้าผมก็พบกับกระดูกสะโพกชิ้นหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินผมดีใจมากด้วยความที่ผมไม่ค่อยกลัวและค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นมากกว่าผมจึงบอกเพื่อนว่าให้ช่วยกันขุดกระดูกขึ้นมา แต่ก็ไม่มีใครกล้าขุดผมกับเพื่อนอีกคนจึงขุดกระดูกนี้ขึ้นมาสามสี่ชิ้นแล้วก็เดินไปดูที่อื่นต่อสรุปว่าเราหลงป่าช้าครับหาทางกลับไม่เจอไม่รู้เป็นเพราะอะไรเราพยายามช่วยกันหาทางกลับแต่ก็หาไม่เจอผมจึงนึกขึ้นได้ว่าที่เขาบอกว่าผีบังตาเป็นอย่างนี้นี่เองผมจึงบอกเพื่อนว่าเราไปลบหลู่เขาเขาให้แล้วล่ะ่อเข้ามาเข้ากันเถอะคิดดู เป็นพระต้องยกมือไหว้ขอมาผีคือตอนนั้นเราห่วงอย่างเดียวว่าจะกลับไปฉันข้าวไม่ทันเพราะที่นี่ฉันมือเดียวไปไม่ทันก็อดแปลกไหมยกมือไหวผ้ผีเสร็จเดินไปสามเก้าเจอทางกลับเลยระหว่างทางเดินกลับก็จะมีต้นไม้เล็กใหญ่สลับกันไปเราเดินมาถึงกลางป่าช้าเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งถูกตัดลงมาทาเป็นโรงศพใหญ่โรงหนึ่งทิ้งไว้กลางป่าช้า ถึงทำให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆผมคิดมาตลอดทางว่าเดินกลับว่านี่ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ไม่กล้าพูดกับเพื่อนเพราะรู้ว่าพวกเขาเริ่มกลัวขึ้นมาเหมือนกันพอกลับมาฉันข้าวเสร็จเราก็แยกย้ายกันเข้ามาหาที่พักซึ่งอยู่ตามโซนต่างๆของป่าช้าแล้วแต่ใครชอบแบบไหนเข็นมากเขียนน้อยมีหมดจเจ้าแบบเข้าถึงตัวลากขาเคหัวมาให้เห็นเสียงหร้อน มีหมดแล้วแต่จะชอบแบบไหนใครชอบแบบไหนก็เลือกปักกรดกันตามใจชอบส่วนผมถือว่าตามดวงตามกรรมเลือกโซนกลางป่าชา้าซีขวาเดินเข้ามากิโลครึ่งก็เจอทำเลที่เหมาะที่จะปักกรดเป็นเถาวัลย์ใหญ่ซึ่งมองแล้วรู้ทันทีเลยว่ามีจิตวิญญาณแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนตะวันตกดินบรรยากาศเปลี่ยนไปทุกทีทุกคนที่มาใหม่เริ่มระวังตัวและคิดว่าคืนนี้จะเจออะไรบ้างพอสวดมนต์ทำวัดเสร็จ เวลาก็ประมาณ3ามทุ่มเศษก็นั่งคุยกันสักพักเพราะตอนนั้นไม่มีใครอยากกลับเข้าไปที่พักแต่ก็ต้องแยกย้ายกันเพราะเดี๋ยวมันจะดึกไปกว่านี้เราได้รับรู้เรื่องที่ครูบาอาจารย์เล่าลือมาพอประมาณและคิดว่าเกินพอสําหรับบรรยากาศในตอนนั้นผมหยิบไฟฉายคู่ใจแล้วแยกเดินกลับกรดผมเดินเข้ามาในป่าช้าได้ประมาณ1กิโลซึ่งผมคิดตลอดทางว่าเราจะเจอกับอะไรผมพยายามไม่คิดอะไรมาก ท่องพุโทโธตลอดทางแต่แล้วก็มีเสียงอะไรตกมาจากต้นไม้ข้างหลังผมผมจึงฉายไฟกลับไปดูแต่ไม่ทันจะหันกลับมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างทางที่ผมยืนอยู่เธอนั่งพับเพียบพนมมือไหว้ผมกลางป่าช้าที่สำคัญเธอไม่มีหน้าผมฉายไฟไปที่หน้าของเธอเลียบขาวทั้งหน้าผมรู้สึกว่าตัวเองชาไปหมดและไม่ได้หายใจไปชั่วขณะ ตอนนั้นผมนึกอย่างเดียวคืออย่าตกใจอย่าวิ่งอย่ากลัวผมรวบรวมสติได้จึงฉายกลับมาที่ทางเดินแล้วเดินภาวนาพุทธูต่อไปพอมาถึงกรดก็รีบเข้ากรดสวดมนต์แผ่เมตตาคลุมโปงนอนรู้สึกตัวอีกทีก็ถูกลากออกมานอกกรดแล้วตอนนั้นตกใจมากเหมือนมืดมองอะไรไม่เห็นเลยแต่รู้อย่างเดียวว่าตัวเองอยู่กลางป่าช้าพยายามใช้มือคลำไปรอบๆ เกือบเสียสติเหมือนกันแต่พอดีคลาไปเจอกรดเลยมุดเข้าไปนอนคลุมโปงแต่ไม่ได้หลับทั้งคืนแค่คืนแรกมันก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยพอตีสามครึ่งพระอาจารย์มาเรียกไปทำวัดเช้าก็ต้องเดินออกมาอีกเจออีกแต่เป็นตัวใหม่มันสับเปลี่ยนกันมารับแขกดีจริงๆพอตอนเช้าบอกพระอาจารย์ว่าเมื่อคืนถูกดึงออกจากกรดพระอาจารย์ยิ้ม แล้วบอกว่าอยากไปขุดกระดูกเขาขึ้นมาจากดินทําไมละ่ะเขาเลยลากเราออกจากกรดบ้างไงพระอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าเราไปขุดกระดูกมาเพราะไม่มีใครบอกท่านเลยท่านบอกให้ปฏิบัติมากๆภาวนาเยอะๆแผ่เมตตาให้เขาไปแล้วจะเล่าให้ฟังอีกมีอีกหลายเรื่องป่าช้านี้อยู่ที่จังหวัดอุบลชื่อสำนักสงฆ์ป่าช้าบุงมะเร็ ง, งแรงจริงๆไม่เชื่อไปถามชาวบ้านแถวนั้นดู